ทั้งโลกมีคาพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคาพูดจนเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงนั้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีพบไม่มีนั่นเองมีแต่ ค, ความทิดหายเต็มหัวใจ ทั้งที่ตัวปิดก็คือตัวพบอยู่แล้วเพรามันก็ปิดบงังตัวเองอยู่นั่นให้เกิดความรูความเห็นไปว่าถ้าพาุ่มหน้าชา้นหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอ่นอผู้ที่ว่าพบมหน้าชันหน้านันแหลคือตัวพบตัวชาติตัวเกิดตัวตายมาโดยลดาดับลำดัต่อเนื่องเหมือ น, นกับก้าวขาเดินอยู่ ท่านเรียกว่าอวิชชาวิชชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่ทันี่ลายนี่คว่ารู้ที่อะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆซึ่งเป็นความจริงเหมือนๆกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอวิชชา ไม่รู้แจ้งหนิงจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่ ว, วไปท่านที่อเรียกว่าอาัจฉชามันปิดบงังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างเราท่าน น, นี่เองท่านชื่เรียกว่าอาัจฉริสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้ วิเลวัตตวนันมันครอบปเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรู้ถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทั้งภายนอกภายในมีวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเ อ, อิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังปิตใจ อย่างมิคิดเป็นไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงองมีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเรียกเครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกที่เรียกว่ามัจจิมาปฏิปฏัฏฐาหนทางสายกลางกลางต่อจุดมุ่งหมายกลางต่อความจริงจริงไม่เป็นคำที่ล้าสมัย เป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไป huh? ไม่งนั้นท่านก็ไม่เรียกว่ามัชชิมาคื่ศูนย์กลางพูดถึงเรื่องความเกิดเจ็บตายทางลท่านแสดงในว่ชชาติปูขาชราติปูขาท่านแสดงถึง่งทุกข์ในอริยศาสตร์พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกประทานชาติปูขาชราติปูขามานำปิ่งขังโต้กับไปเที่ยวทุกขโทนราที่ไปชาติปูขา มันเต็มอยู่ด้วยในธาตุในขันของสัตว์และบุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบนั่นสมมุติอย่างกว้างขวางละเอียดละออเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีแต่สานาจริงควรแก่มนุษย์ที่จะพืมพปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้นะในอริยสัจสี่มันแสดงไว้ในธรรมจากกับพระวจนะสูตร สมุทยิสุตตจังคืออะไรนั่นทีราคาตาคาตาตะตะตะตาจินานิมีเสยที่ดํำกา ม, กามาตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหาเนี่ยสามอย่างนี้เป็นร่างใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของทุเรศทั้งหลายมันแสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้แสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้ว มันเราจะทราบความจริงดิสแตนแสดงนั้นห่ะว่าแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นซึ่งชาติเป็นผู้ขาชราติเป็นผู้ขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงจิตใจผู้รับทราบมันเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ร่างกายจะไปรูเรื่องรู้ราอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับทราบให้เท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ ด้วยชาติปิดกดกขาผู้กิตผู้นักก่อข้อเหนืยเปิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นและเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่ง น, นี้เป็นทุกข์ให้ปิดได้เห็นโทษในสิ่ง น, นี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามะชราลาปิดดูขามานําไปทุกขังและเปิดก็เป็นทุกข์แต่ชราทั้งข้าวเป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้ เพื่อจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ใเพื่ออะไรอท่านที่แสดงไว้ในอนันตตาละกันนาสูตรเขาเหมือนกันมาสินั่นเจ็ดแทงสิ่งนี้เจ็ดแทงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธ อะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใ จ, จผู้รับเคราะทั้งหมดคอให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตนนี้ที่ไปเกี่ยวข้ อ, ของหรือไปผูก พ, พันเขาด้วยเนี่ยอเทศไม่ในนี้จา ก, กจิจเทศอยู่ในจิจล้วนๆในข้อที่สามเท่านะั้นนิโรธอนิยสัตว์ิโรธอเดสัจจั ง, งหมายถึงแสดงอนิยสัตว์ท่านให้ทําให้แจ้ง ซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทำนิโรธให้แกงถ้าไม่ใช่มรรคนั่นเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสำคัญตัื้นสมาธิตือสมาสังกปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นำเสมอคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเอาคนโม่ไปเป็นหัวหน้า ง, งานไม่ได้ทำให้งานแหลกเหลือผลดีไปหมดผลจะได้แล้ไม่ค่อยมีแล้วยังทางานให้เสียไปด้วย ให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้า ง, งา น, นนี่ใน ม, มรามมาามมารคแปะก็สามมาทิฏฐิสัมาสัมมาสังกปรมายถึงปัญญาเป็นผู้นำสาัมมากรรมวาจาสัมมากรรมมันศ า, าที่จะชอบไนได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาสติสัมมาสา ม, มาธิาเหมือนกันต้องมีปัญญาสัมมาสติคือจะรรู้ชอบลลการรู้ชอบลลการรู้ที่ไหนเนี่ยการรู้ชอบคลยๆก็ทราบว่าออกคว่าชอบคืออะไร แล้วเรลือกที่ไหนเพืจะเรียกว่าชอบเรเลือกอูในใสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมแหน่พอเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่สมาสมาธิเมื่อเราเลือกชอบแล้วสมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมันจะรู้เล่นรู้นี่หรอกลงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนะกัะการกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรืถูกมีนักแปด อเรานี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระพนิพพานหรือว่า ก, การทําพระนิพพานให้แจ้งก็ทําทด้วยควอปฏิบัติด้วยสมาทิสี่สัมมาทังโกปรจะกระทั่งสัมมาสมาธิอาการแห่งการกระทําทั้งแปดนี้เป็นอาการที่จะทํานิพพานให้แจ้งพังงานนิโรธมิโรธคือความดับทุกข์มันดับได้ ถ้าถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องั้งที่กล่าวมานี้ทาไม่ใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับ้ะบ่นวันดั้งคำคืนยังโล่งก่อนยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลบากขึ้นอีกเป็นหาทางพงวางจิตใจไม่ได้แต่ทำมาทั้งหมดสอนออกมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัตตะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจ ครั้งแห่งกิเลส ก, ก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อทายเทศครั้งแห่งกิเลสกิเลสออกหมดอันนี้ก็กลายเป็นครั้งแห่งธรรมขึ้นมาวาตัตตาเขายุดัตตาไม่นอกเนื้อไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ทายเทศสิ่งที่เป็นวัตตาออกที่วัตตาก็ปราปกฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียาคาสถานที่ที่ร ก, กรุงรงังลราถาได้ถากฐางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมด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 ท่านจึงสอนลงที่นี่และจิตใจมีความเกี่ยวเรื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยกไปให้เห็นโทษเหภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องเช่นพจารณาเรื่องลูกเสียงเรื่องตื่นเรื่องนวดมันเป็นอะไรมันจึงไปติดไปพันไปเนาะไข่ชอบใจหรือเปียดช้ำต่างๆ แ, แยกดงนั่น แ, แยกดูปิตทังตัวเองเนะี่ยสอนไปข้างนอกก็เพื่อจะรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลํำดับ ธรรมะทั้งหมดจึงรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทางนั้นเพราะใจเป็นตัวการน้ําคันเรียกว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีกหละจอมปราดก็คือใจเมือ่อธํานะสิ่งที่โง่เขาออกจากขิดใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกมัน เ, เกิดขึ้นมาเองโดยลำหนักลำหนักความโง่ออกยันซึ่งเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้น อ, อย่างเต็มตัวเต็มถูนที่นี่สอนในพิจารณาที่นี้ ชาติที่ทกิรูขาทั้วเกิดก็คือตัวกายของเรานี้เกิดมานีงง่มันเป็นยังไงมันเปราะก่อปนมุ่นวายอะไรกับเราบ้างเร่เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนเดินเดินัน่งนอนมีแต่การเปลี่ยนหรืบรรเทา ท, าทุกข์ทั้งนั้นนั่งนา น, นก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแต่หาเดินเดินก็เปลี่ยนแต่หายืนแตหานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในยาบดได้บดหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมา เพราะนั้นอิยาบทจึงเป็นเครื่องบันเทาขันอันนี้้าจะเทียวกูมาแล้วก็เหมือนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือนะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือแล้จะให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยมันร้อนอความไปหมดไหมไปหมดทั้งมือนะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมัน เราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบันเทานี่เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยจนมาตั้งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยยุนแรงอะไรมากนะักพอบรรเทากันได้ไนะขณะที่โยนผ่านไปออกจากฝ่ามือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาไปนิดๆจนระทั่งถึงที่ที่สลัดปาดทิ้งนีอันนี้ก็เหมือนการท่าขาเนี่ยเปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับโยนถ่านไปขึ้นบนอากาศเดินนั่นนงนอน ถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองนี่แหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลาบากกันในร่างกายเดินนานๆก็ลําบากเดนนานก็ลำบา ก, นาน ก, บากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงวันตายนานที่ดูสิวันตายน่ะวันสนัดปัดทิ้งถนัดปัดทิ้งธาตุขันกองทุกข์ที่นีธาตุขันนี่เราจะพิจารณาอย่างไง เว่ามีติตของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเพิจารณาลองเ้ยปัญญามีไว้เพื่ออะไรหุงตมแกงริงก็ไม่ได้มาไว้สำหรับแก้สิ่งที่งงงายสิ่งที่จะทําให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในปิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ตรงนี้เอาธาตุขันนี่แหละเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณา ทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจริงของมันอยู่โดยสม่ำเสมอเมือ่อทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกอืเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตะวันดังคำคืนดังลุงนี้ตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยๆเลยจง ก, กระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็รับทราบรับภราบไปตามความจริงเพราะความคล่องแคล่แกล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาช่ำชองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้น มันยังตื่นเต้นอยู่ก็ทําใจ้ยิ่ในหะ้มันชัดเจนลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอพอตัวพอตัวเรื่อยๆรือไปอเขียนวิชาแก้วัตถบุภายในจิตใจต้องเรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทําได้ยากอันนึงเรียกึ้นกัมมาฐานนงที่เขียนไว้ในปฏิปทา ของพระกรรมฐานสาชันจันมนวกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนัามมา่นกรรมมแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรื้วัตถะสงสารออกภาในจิตใจน่นคือการพิจารณากรรมฐานเป็นงานที่หนักที่มากงานนี้งานรื้พบรื้ค่ะรื้วัตถะสงสารหรือที่จะทันหาออกจากจิตใจของตนให้กายเป็นนิวสสริตะขึ้นมาภายในจิตใจ เป็นงานที่ทยากต้องหาที่ฮัตทำเลที่เหมาะสมนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภาักเพลินในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าหน้ที่ทําเลที่มาเหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพธธุทธเจา้าสอนภาษาวกเวลาที่บวชแล้ ว, วลุกขมูลแทนาสนางเป็นต้นอสอนให้ไปอยู่ตามแต่ป่าแต่เขายุขมูลลมหาย ในธรรมในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ทิ้งไปความสะดวกในการบาเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบตามกิเลสให้อยู่ในเมื่อมือลึกให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจการเป็นอยู่ปุวายไม่เลยคํานึงคํานวณนี่แต่ว่าการประกอบความภากเพียรจนในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำหนับลำหนับสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รื้อถอนกิเลสด้วยกรรมฐานคืองานอันใดตัวนี้น พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปทานไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลเส้นาสนังเป็นตนสอนลูกขมูล้มไม้เกลี่ยตามป่าตามเขาสอนให้บินขมับหาด้วยกำลังตีแข่งของตนเป็นงานชอบทำอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการแสวงหาแสวงหาโดวิธีอื่นๆนี่ ท่านก็สอนไว้อายันเตปโตนั่นสังเกตมีบาดของเธอหรือนี่บาดของเจ้านะนั่นท่านบอกไว้เลยทั้งทั้งที่บาดก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาดของเจ้านะนะี่ประทับใจลงไปอีกทีบอกทำใหม่ว่าบาดของเจ้านะเนะี่ยก็คือว่านี่คู่ชีวิตของเจ้านะนั่นเองไอ้บิณฑบาตรมาฉัน หาได้มาแล้วเอาลงไปในบาสนั้นแนหะไม่มีภาชนะใดสําหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาสน่ะสอนลงไปของนั้นเองบาตเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพระสมณะใบเดินธมาก็าบาตรลูกนี้อมาฉันก็ลงในบาตนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดท่านถึงสอนว่าอายันเตปโตไม่สําคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอือายังสักขติอายังอุตราสังโง อัยังอันตรวาสะโกนี่สะบงนี่จีวร น, นี่ผ้าสังกาติท่านนี่บานี่บอกแล้วให้เอาไปใช้เป็นกิจที่เป็นมาริขางหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสาคัญนอกนั่นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ท่านสั่งสมนั่นสั่งสมนี่หานั้นหานี่ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกลงในจุดสาคัญขัญนี่เป็นที่เหมาะสมที่สุด ใไปเถิดไปที่ไหนที่นี่ก็ชี้บอกสถานที่ไปหรือขอมนลมไม้ตามชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมุนเป็นสมน้ำธรรมนีในขั้งพุทธกาลสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบำเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถในทางความเพียรและทางกติปัญญาเพื่อจะรื้อถอนที่เละกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังจรงกันมาเป็นเวลานาน ให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการลรือยุทธวิธีแบบนี้ในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดส อ, อนแต่วงกิวานของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมากยิ่งกว่านั้นเลือเพื่อพลุงพลังมีบาทใบหนึ่งเอาไปมีเท่านั้นหละเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดแหนกสบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลัง เตรียมการดูการกินยุ่งไปหมดนะแล้วยุ่งไปเรื่องดูเรื่องกินไหมการที่จะยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการฆ่ากิเลสทําลายกิเลสไม่มี ม, มีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั่นเตรียมนี่วุ่นไปหมดนั่นก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้แล้วคําว่าค่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี้กิเลสตัวไหนจะหา ย, ยาหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากแค่แต่รูปแตกหลานขึ้นมาเต็มหัวใจ แพร่ไปหมดกาะจายไปทั้งขง้างนอกข้างในเต็มไปหมดตั้งแต่พิเรศมาบำเพ็ญเพื่อแก้เกิื่อนหรือกล้ามาเป็นผู้สั่งสมกิเรศผิด ก, กับโอวาทคำของปางพระเจ้าที่ว่ามัชชิมาปฏิปทาเพื่อให้ตรงคำนั้นก็ต้องเดินตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักถ้าโอวาทที่ทรงสั่งสอนไปแล้วไม่ว่าพระไมล่าคารวาักสอนลงที่หวัวใจด้วยการประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่าง นั้นรุ่นนี้แต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสเนี่ยถ้าเราปีงเกี่ยวกับเพราอวัธที่สอนนั้นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของว่ามันไม่สั่งสมไม่สั่งสมก็าตามก็คือการสั่งสมอยู่ในหลักธรรมชาตนั่นแหละอยู่ในป่าก่อนคิดแต่เรื่องโง่เรื่องทุงทันเรื่องหุ่นเรืงว่าไปหมดมันก็อยู่ในป่าธรรมดาเห ม, มือนกระจนกระแตเหมือนเกิดประโยชน์อะไร อยู่ในบ้านถ้าที่อาชธรทมกันยังดีกว่าเนี่ยทันสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิดก า, การพิจารณาเอาแต่วิณานะร่างกายก็เอาเอาให้แหลกลงไปโดยลำดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังห ล, ลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดทัวถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมฐ า, านหา้าคืออะไรเพีาสรวมมาลานตตโ แต่ถึงนั้นท่านหยุดเสียเพราะคําว่าหนังพุ่งห่ อ, งหอไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลยไม่ว่าสัตว์นะว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านทันจึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปทงกับว่าอาการสานสองเอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเจอะเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่เพจะรู้อถอนกิเลสออกจากตัวเองหนุนพิณา พอมีความทะนนิทํานานแล้วดูอันไหนมันก็เป็นความปินไปหมดไม่ตื่เต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหว <c oughs> จิตใจก็ปล่อยวุฒิประธานความมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลํำดับลาดับนี่ยแต่ว่างไงเมือมัปล่อยวางภาระภาระออกมาด้วยการปินนิดปานนาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทําไมจิตจะไม่เย็นไม่สบาย <c oughs> จิตจะพุ่งชั่ไปไหนพุ่งชา่งกบพุ่งชั่งด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะพุ่งชา่งไปทําไม หาคำพุ่ง ส, สร้างไม่มีมีแตะสงบตัวไปเรื่อยๆเย็นชมายอยู่ภายในจิตเนี่ยถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามีแต่เป็นการถอดถอนความทุกข์ความทรมานพันในจิตใจออกทั้งนั้นไม่มีพระอาวราชข้อใดที่จะสัสมผัสพิเรยให้สารโลกได้รับความทุกข์ความลาบากเลยจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมตราบไม่ชอบยิ่งแล้วนิยานิกะทำผู้ปฏิบัติธรรมนั้นแนจะเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์โดยลำดับๆนนจนถึง ถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์ล่อพ้นที่ไหนอในเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเราเนี่ยมันมาอยู่ที่ไหนทุกข์ที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบขอบทุกข์ที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกข์ที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้านผู้กรอบโวยเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นไปเผาตัวเองนั่นแหละทุกข์ไปหมด ทุกข์ใจมันทุกขลังมากยิ่งกว่าอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราอาจจะมีความฉลาดตามที่เราเคยพิจารณาเห็นตามองค์ปีนมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนไหนมันเป็นก็ทราบมันเป็นมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นทุกขอย่างนี้รับทราบการอืมทุกข์เพราะเห็นนั้นเห็นนั้นก็รับทราบความเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับ มันไปปรุงแต่งมาได้ทําไงเรื่องของทุกเวลาจะเกิดเราก็ไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่กับตามธรรมชาติของมันมันดับไปกตามเรื่องของมันการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะระยะเราทําไม่เสียอกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงเหรอฮะทนมาตั้งแต่วันเกิดจนมาตั้งถึงวันนี้ที่นี้จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้เขาปล่อยเสียแหน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริง พอทนได้ก็ทนไปพู้พุทธเจ้าท่านก็นับสั่งถามพระสาวกว่าเป็นไงเช่นท่านนับสั่งถามพระกัสปะเป็นต้นเป็นไงกสปะขันธมันจงของเธอพออดทนอยู่หรอนะ่ะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามอย่างนั้ น, นขังพประการเปไ็นไงขันธมันจงเธอพออดทนอยู่อยู่บ้างเหรอือนะ่ะพวกเราว่าสมายดีหรอคือถามเรื่องกองทุกข์มันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นไงสมายดีหรอือ ทุวันนี้ไม่อยากจะถามใครนะถามงั้นมันฝืนภาระจิตชอบคนเบายปเลยเพราะว่ากับฝืนเปลาเปลาอย่างเงี้นแหะทั้งๆที่ทใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะสบายดีเลอภาระจิตใจทำร้าได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นกองทุกข์ที่มันลุ่มภายในจิตใจนั้นไปมากน้อยเพียงไรที่เหลือตัวสําคัญสําคัญที่เป็นภายะแจิตใจนั้นมันได้ตายไปบ้างหรือเปล่าเลนเลนมันอยงน้อยเลนเลนมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มันะ ตาบ้างหรือเป่าถ้าพูดอยงนั้นน่าฟังแล้วก็กระทั่งถึงเป็นยัง ไ, ปไงปู่ย่าตายายมันตายแล้วยังลูกเลียงหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหายหมดแล้วปู่ย่าตายายตัวสาคัญมันได้ข้ามแล้วยังนั่นข้าแล้วก็สวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก็สวัสดีพระพุทธเจ้าท่านรับสั่ถามมีพระกัสปะเป็นต้นมาเป็นยังไงกัสปะ ขันตบันจบของเธอพออดพอทนอยู่เถอะทางนั่นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟังสินักปราชญ์ท่านตอบกันอุ้ยน่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดท น, นไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสีย เ, เท่านั้ น, นเรื่องมันก็มีเท่านั้นเอ๊ถามความสวัสดีอย่าให้ถามภายในนีเป็นยังไง ส, สมายดีเหนือฮนสมายดีเหนไอเปนจิตใจเป็นยังไงมีหลังมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่า พยายามรักษาตัวบางหรือเปล่าหรือรักษากับภายนอกวูบแต่ภายนอกแล้วเหนือลืมแล้วหรือตัวสําคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบาง่ามอหรือเปล่าตัวสาระสำคัญนั่นแหะหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมูลปวดมูลแห้งไปหมดแล้วเหนื่ออยากให้ดูตรงนั้นว่าสวัสดีเหรอสบายดีูหรือมันถึงเหมาะสมีในการปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันให้ถามหนึ่งนั้นเหมาะสมที่สุดแล้ว แล้วพิารณาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถังอุตมังวรังสกัตถาวาพุทธะตังโอสถังอุตมังวารังสกัตถาธรรมะตังโอสถังอุตมังวรังสกตถะสังขารตังโอสถังอุตมังวรังถ้าพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นโอสถเป็นโอสถอะไรก็แค่ที่เหลือปัญหาอสุวะภายในจิตใจของเรานี่เองอะพุทธภาพเนี่ยเอผู้รู้เอาผู้รู้ผู้เจรินี่แหละแก่ ธรรมะได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจและงับดับโลก ค, ความวุ่นวายไปหมดสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมนั้นอัศ จ, จรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่นี่จะเป็นโอโซดแต่และแต่แ ล, ะและอย่างอย่่างแต่และธรรมชาติที่เป็นเครื่องพยุมจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธะธรรมะสังฆะซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่ยจะ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 ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านพูดได้เป็นเพียงอาการเท่านั้นแ่ะเป็นพุทโธธรรมโมสร้างโจาตินานาหุ่นตัมวิวัตถุโตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้ากล่าวเบือาการแล้วก็เป็นคนนัอย่างจริงเนี่ยอัญญะมัญญาวิโยกาวะเอกิพุตตมพนัสโตแต่อาศัยซึ่งกันแลกันแต่เมื่อพูดโดยคำ โดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นนะท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือทำทั้งแท่งทำทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังขะอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสริฐมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละการแก้สิ่งที่ปลอมๆทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคาไม่น่าทานกิจกรรมเหล่านั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปแก้ลงไป สาระสำคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยนั้นแหละและ้วไปถึงคําว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี่เหลือดังที่ท่านอาจารย์มั่นปรากฏขึ้นมาว่าไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้จริงๆอย่างนั้นก็มีคําว่าหนองอ้ออ้อนี้เหลอไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในจิตใจนี่เองอ้ออ้อนี่เหลือถึงแล้วหนองอ้ออ้อนี่เหลอธรรมชาติพิหารที่แฉลบลมชฉกายเนั้นปรากฏแล้วเลยวนี่อยู่ภายในจิตนี่หมายอันนี้ต่างหาก คนเลยไปเที่ยวหาดูน้ององ่งน้องอ้อก็มีนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูน้อง อ, อ้อที่ท่านจานมั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจออความทั้งันของคผิบขนาดนั้นนี่ได้ยินตองหูจากของเองนไงเราก็เลยเกิดความสลดสองเร็จขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้ฟังเขาไปหาน้อง อ, อ้อที่ท่านจานมั่นท่านเจอว่างั้นท่านได้เจอทําอยู่ที่น้อง อ, อ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอว่างั้นเราก็ยิ้มยิ้มนิดนึงสลดสองเมอนี่ได้ยินในหูตัวเองนะแต่ก็ไม่พูดเลยให้เขาฟังเพราะเขาไม่ได้ถามเราเนี่ย แล้วคนที่กว่าจะอธิบายให้ฟังมันก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้วท่านที่มีความสนใจก็จริงเหมือนเราจะพูดว่าน้อง อ, อ้อ น, นี้ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนะักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจงทันทีน้องอ้อที่ไหนเราว่าคําเดียวนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ที่ไหนเท่านั้นมันก็เข้าใจคนผู้ปฏิบัตินี่เราให้พยายามให้เจอหน่องอ้อมีแต่หนองวุ่มหนองวายหนองยุ่มไปหมด ทั้งวันทั้งคืนเดืนน อ, อนน้อยๆน้องอันนี้มันหนองอะไรถ้าคนให้ร่มตนไปมากมายนอนจมอยู่กับห น, น, นองวุ่นหนองวายความร้อนร้อนอยู่ที่นีเจอหนองออบึงออตรงนี้ภายในจิตใจใจเอาให้หมดทำอะไรไม่ดีไม่งาม พ, พิจาณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าย่าปลอยยาวางนี่แหละเป็นตัวค่าสุกสําคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นค่าสุกยิ่งกว่าขันห้าเป็นค่าสุกต่อเราการพิจานาขันห้าคือเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความวัตถุนิยมได้อย่าง ไม่มีอะไรสงสัยอพิจารณาลงไปรูปอย่างที่เคยสอนแล้วมันเป็นยังไงกําหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันหนึ่งเมตนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขนาดนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงของเขาให้เป็นตรมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเราก็พอนี่ชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นอย่างนั้นเป็นความจริงหนยยึ่งไตรญาณขอาอัญญาแต่ละอย่างอันหนงมันจริงของเขา ถ้าตดขึ้นมาเจาะขนะและ้วดับไปดับไปโดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างใดเลยมิได้เราไปให้ความหมายเขาก็หลงของยุ่งไปหมดเห็นต่างความจ่างเลยนะงั้นก็ปล่อยกันสบายสบายเบิกออกเบิออกออกอะไรที่มาคุ้มหอ่อปิดใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงและรักษาจิตใจสลัดออกได้ ขันก็ขันก็จิดอยู่ด้วยกันข้อจะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดมีแล้วนี่ะจะเป็นอะไรไปเราเคยอยู่ด้วยความปัวพันถือไประหนึ่งอันเดียวกันก็มานานทีนี้ไม่แยกกันได้แล้วต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงเล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นพายต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพิษเป็นพายต่อกันจริงเรายังถือว่าเราได้ว่าเราเป็นของเราเรายังถือได้เราอยู่ด้วยกันมาได้ในรูปให้เห็นตามเป็นจริงของกันในอาการเสียในอาการต่างๆทั้งห้านั้น จิตก็เป็นจิตเจือด้วยความบุิสุทธิ์ตนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนียิ่งหายห่วงหายใหญ่หายหมดป่อยภาระได้โดยประการทั้งปวสงสิ้นสุดพิมุตไม่ต้องไปหาที่ไหนเออ ม, มันติดข้องที่ไหนแก่ที่ติดข้อง ไ, ได้กพ็พ้นที่นั่ น, พ, นพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ที่อยู่และทุ่งดับไปแล้วก็พ้นไปได้เท่านั้นนี่ หานะความพ้ทุกคนที่น่อาลักการแสดงธรรมก็เห็นเราสมปาปเปรกปฏิปกัน <c oughs>